แปดสิบห้าทัศเนนปหาตัพภะเฮตุกะทุกะหนึ่งปฏิจาวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเฮตุปัจจัย 47. สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภคเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหต eh. ุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสี่สิบแปด สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่โสหรคด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ พึงเพิ่มข้อความจนถึงมาหาภูตรูปภายในสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่สมปยุทธขันอาศัยโมหะที่สหรรคด้วยจิตกิจฉาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัค อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปอาศัยโมหะที่สาวรกรด้วยจิกิชฌาเกิดขึ้น49สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใได้แก่ ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่จะหัราโคตด้วยวิจิตกิจชาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทานรูปอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้น จิตต si ส ม, มุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหโรโคตด้วยวิจิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่โสหรคต้วยวิจิกิจฉา และอาศัยโมหะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอ า, อามอนนงมรมณปัจจัย50สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภคเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่โมหะที่โ ส, to to i i. ส, ส, นนสหรโคด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโมหะ อาศัยขันหนึ่งที่โสหะรโคด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคเกิดขึ้นเพราะอารมาณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากเกิเยยดกขึนข้นะละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ <imir Sham krit> สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่สัมปยุทธขัน์อาศัยโมหะที่สหโรโคด้วยวิจิกิชฌะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหร ก, กด้วิธิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองย่อหนึ่งปัจญานุโลมสองสังคยาวาระห้าสิบสองเหตปปจจปจจปุปัจจัยมี9ก้าวาระอรมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระ ชาชาติปัจจัยมีเก mm. ้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระเนจยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิเนยปัจจัยมีหกวาระปูเรชาติปัจจัยมีหกวาระมายเสวนปัจจัยมีหกวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยม er ีเก้าวาระอินทรียาปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระ มัคคปัจจัยมีเก้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีหกวาระวิคตะปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสองปัจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังควาระนะเหตุปัจจัยห้าสิบสาม สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาษ์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาษ์เกิดขึ้นเพราะนันเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรโคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่โสหรโคต้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาษ์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาษ์เกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสและจิตตาสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นพึงเพิ่มข้อความจนถึงอ า, าศันยสัตรพรมโมหะที่สหรคพัทถุทัตจะอาศัยขันที่สหรคพัทถุทัจะเกิดขึ้น 2. ป, ปัจจะปัจนะยะ 2. สังขยาวาระ 5. 4สิบนเหตุก ป, ปั จ, จัยมีสองวาระ นอารรมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนัอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสัมมันตระปัจจัยมีสาวาระนอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาินจยปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัชชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอเสวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสี่วาระ นวิปากาปจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะข้าปจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจญียะห้าสิบห้า ณอารมณปัจจัยกเพสตุปัจจัยมีสามวาระณธิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงนปุเรชาติปัจจัยมีเจวาระและถึงณวิบยุตตปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระ 4. ปัจจญาปัจจญญานุโลม56อารมณ์ปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงมรรคปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสหาชาตะวาระเมืองกับปฏิจจวาระแปดสิบห้าทัศนีนะปะหาตภะเหตุกทุกกะสปัจจิยวาระหนึ่ง ปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถ ah ึงมหาภูตรูปภายในขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัติมักธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสรรพยุติขันธ์ทำโมหะที่โสหรรคด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคมทำไทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปทำมหาโพธิรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสรรพยุติขันธ์และจิตตสมุทานรูปทำโมหะที่สหรอกด้วยจิตกิิยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสิบแสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคมทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แ่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัตและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันสามทำขันหนึ่งที่สหรั้วโคดุวิจิกิจฉ้าและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสอง สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ธรรมสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สหัราะโคด้วยจิตกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่สวัสดคดวิจิกิจชาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันอสองอารมณะปัจใจห้าสิบเก้าสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 จะผูกวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาธมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหะโรคด้วยวิจิกิจฉาธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาธมสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาธมให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคทำทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสมปยุตขันธ์ทรรมโอหะที่สหรคตด้วยจิตลิิช้าให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สฮรคตด้วยจิตลิช้า ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหกสิบสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคธรรมสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงธรรมขันธ์สอง ขันสามทำขันหนึ่งที่โสหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณ์ปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาทำขันที่โสหรโคตด้วยวิจิกิจฉา และธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงทำขันสองขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหรรคด้วิจิกิจชาและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระหกสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระสองปัจญยะปัจจี่ยะหนึ่งวิพังกวาระนัเหตุปัจจัยหกสิบสองสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัรทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปั จ, จัยเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรรคด้วยวิจิกิจจา ทำขันที่สหรรคด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ทำขันที่ไม่มีเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาจารย์สัตพรมจักขูวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละถึงโมหะที่โสหะรคด้วยอุทจจะทำขันที่โสหะรคด้วยอุทจจะและธ ร, รรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวะธรรมที่มีเห ต, เหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่โมหะที่สโหททสหรคดุวิจิกิจฉา ทำขันที่โสฮะโคโธวิวจิกิจฉาและทำให้าทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อสองปัจจยปัจญิยะสองสังคยาวาระ63นานเหตุตัวปัจจัยมีสามวาระนอ่นอ ร, รมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนันอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมณันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นอุปนิเสยปัจจัยมีสวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระนปัจชาชาตปัจจใจมีห้าวาระนอเซวนปัจจใจมีห้าวาระนกรรมปัจใจมีสี่วาระนวิปากปัจจใจมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขาปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณวิปุญตปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้แปดสิบห้าทัเนนะปะหาตัพะเหตุกะทุกะห้าสังสถทวาระปัจยะจตุกไนเฮตุปัจใจหกสิบสี่ สภาวธรรมท ушки, career, ี่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและถึงเกิดรัคนกับขันสองสภาวธรรมท <étais Christmas S 1> ี่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขน 3, ันสามเปิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและถึงเปิดรัควกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเพราะเหตุตัวปัจใจได้แก่สัมปยุติตขันเปิดรัคนกับโมหะที่สหโรคด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เกิดรักพรกับสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักพรกับขันหนึ่งที่จะหัวรักพรวยวิจิกิจชาและโมหะละถึงเกิดรักพรกับขันสองอารมณปัจจัย65สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเกิดรักพรกับสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค เพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเจจกิดรัควรกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและถึงเกิดรัควรกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เกิดรกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเพราะอารมะณปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดรคกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเพราะอารมะณปัจจัยเหมือนกับ ป, ปฏิจจวาระยอ่อ66เหตุปัจใจมีสี่วาระ อารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหกวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระอนุโลมจบหกสิบเจดสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิม ร, รักเกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมรัก เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรคดุวิจิกิจฉาเกิดรักควกับขันที่โสหรรคดุวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดรักควกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักควรกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและถึงเกิดรกควกับขันสอง ในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุุคขะโมหะที่สหรคกวัตทัตจะเกิดร่กวรกับขันที่สหรคกวุทัตจะณเหตุปัจจัยมีสองวาระณัถติปัจจัยมีหกวาระณัปเรชาตะปัจจัยมีหกวาระณัปฉาชาตะปัจจัยมีหกวาระณัสวะณะปัจจัยมีหกวาระนักรรมะปัจจัยมีสี่วาระณัวิปากะปัจจัยมีหกวาระ ณชาณะปัจจัยมีหน e, anyway. ึ่งวาระนมัคคปัจจ <le> ัย <ucking> มีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระปัจญิยจกเหตุทุกข์ในณอธิปติปัจใจขับเหตุปัจใจมีสี่วาระณปุเรชาตะปัจใจมีสี่วาระละถึงณวิปยุตตปัจใจมีสี่วาระนเหตุทุกข์ในอรมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตะวาระเหมือนกับสังสัวาระ สเนเนปหาตัปพระเหตุทุกกะทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปจ ญ, ญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหกสิบปดสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจจะขันโดยเหตุปัจจัย เพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแค่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุถูปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแค่สัมพยุจขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุถูปัจจัยหกสิบสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแขสัมำยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยมูหะที่สโสหรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแข่จิตตะสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมูหะที่สโสหรโ ค, คด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแขสัมำยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล โมหะที่จะหรอยโรคควยวิจิกิจชาเป็นปัจจัยแกร่จำปรยุน์ขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารามณะปัจจัยเจดสิบสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาโดยอารามณะปัจจัยได้แก่เพราะปลาโรคขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้น เพิ่เพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเพึงประหารและโมหะจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาขันที่โสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้น71สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา เ ป, เป็นปันจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอารมณัปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัต ท, ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคละถึงเป็นปัจจัยแก่อาวัชนาจิตโดยรมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรค และโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากโสดเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสราปฏิมาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัส ท, ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสราปฏิมาจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ปจักรครูละถึงเป็นปจัจจัยแก่อนาคตังสยานอาวชนาจิตและโมหะโดยอา ร, รมาณะปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานพิจารณาฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขอาทัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และโมห oh ะเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพ ล, เพ ล, เพ ล, เพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภคจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมนัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรากฏจากสุอัตัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและโมหะขันธ์ที่สหรอกวิจิกิจฉา และโมหะจึงเกิดขึ้นเจ็ดสภวาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมกักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมกักเป็นปัจจัยแห่สภวาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมกักโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ ر. เพราะปรากรกขันที่โสโรโครด้วยวิจิกิจฉาและโมหะขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมกักจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เพราะปรารกขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและโมหะจึงเกิดขึ้นเพิงเพิ่มบทที่เป็นโมลเพราะปรารกขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะขันที่สหอรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นอาทิตปฏิปัจใจเจ็ดสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาทิตติได้แก่เพราะทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยอาิปติปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที yes ่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฎิธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสโมทานรูปโดยธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฏิธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแ่สัมบยุทธขันธ์และจิตตาสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจใจ74สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค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 ราคาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแห่สัมพยุจฐันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาธิปติได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศี ร, รักษาอุโบสถและถึงออกจากฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุภาไทยวัตถุและขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิและถึงอนันตระปัจจัย เจสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลข네ันธ <te haut> <Whoo. S 1> ์ที่สหรูปดุวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่วุฒนะโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดกรนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยเจสิบหก สภาวธรรมที PJ, ่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรัปัจจัยขันธ์ท <HO USE hvad> ี่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคซึ่งเกิดก่อนๆละถึง เป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโมหะที่สหรโคด้วิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโมหะที่สหรโคดุวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแข่ขันที่จะหรโคษด้วยจิกิจฉยาและโมหะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันต ร, รปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแข่ขันที่จะหรโคษด้วยจิกิจฉยาและโมหะโดยอนันต ร, รปัจจัย77สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอนันต ร, ระปัจจัยได้แก่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 เป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตรปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่โสหารข้ด้วยวิจิกิจชาและโมหะซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่โสหารข้ด้วยวิจิกิจชาและโมหะที่เกิดหลังหลังโดยอนันตราปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตราปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมี9้าวาระอุปนิสยาปัจจัยเจสบปสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอุปนิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออระมณูปนิสยาอันันตารูปะนิสยาและปกะตูปนิสยาปกะตูปะนิสยาได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัค เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอุปาณิสยปัจจัยวาระทั้งสองที่เหลือมีทั้งอนันตรูปานิสยาและปกรตูปานิสยะพึงเพิ่มบทที่เป็นโมลขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค เป็นปัจจัยแข่ขันที่สภาวะรด้วยวิจิกิจราและโ ม, มหะโดยอุปาณิสยปัจจัย79สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาณปิสยาอันันตารูปานิสยและปะกระตูปาณิสยาปะกระตูปานิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ทมสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลปัญญาราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาโทษะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายอูตุโพชนะและใสนาสนะแล้วให้ทานทมสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาใจนาสนะเป็นปัจจัยแข่สศรัทธาปัญญาราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา ละถึงความปรารถนาและพระสมาบัติโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออระมณู ป, ปาเนสยอันันตารูปาเนสยาและ ป, ก ป, ปะปกะตูปนินสยาปะกะตูปาเนสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลปัญญา และถึงราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงสัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะ ท, ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโทสะโมหะทิฏฐิและความปรารถนาโดยอุปาินสยปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัค เป็นปัจจัยแฉ่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันต์รูปะนิสยาและปกระตูปนิสยาปกระกตูปะนิสยาได้แก่ศรัท ธ, ธาปัญญาราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายเสนาชนะ เป็นปัจจัยแข่ขันที่สหรัตวยวิจิจิชาและโมหะโดยอุปาณิสยาปัจจัย80สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอุปาณิสยาปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปานิสยาและประกาศตูปนิสยาประกาศตูปานิสยาได้แก่ ขันธ์ที่สหะโรคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแห่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอุปนิสัยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหะโรคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแห่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและโมหะโดยอุปนิสัยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหะโรคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรกรดด้วยจิกิจฉาและโมหะโดยอุปาเนสยะปัจจัย